พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29ทธันวาคม2556มีชื่อเรื่องว่าทำบุญก็เพื่ อ, อหวังบุญวันนี้เป็นวันที่29ส คันวาคมพุทธศักราช2556ที่พวกเราจะได้ไปชมหรือพระฐานเพลิงศรีระขององค์หลวงปู่ของเราวันที่หนะ้าหน้าลูกหลานขอบอกเก่าๆบอกต่อๆกันไปด้วยถ้าลูกหลานคนใดยังไม่รู้ไม่ได้ฟังเสียงวิทยุหรือไม่ได้รู้ข่าวก็ขอขอแจ้งข่าวให้ทั่วถึงด้วยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหา รว่าเป็นที่รักเคารพในองค์หลวงปู่ของพวกเราวันที่ห้ามกราห้เจดเป็นวันพระราชทานเพลินสรีระของหลวงปู่ของพวกเราวันนี้ก็เป็นวันที่ย9จากนี้ไปเป็นเวลาแดวันนะลูกหลานนะไม่ไกลนะแล้วก็วันที่ส0สเนี่ย น, นกหัดจรีลิงทางภาคเหนือก็จะมา ทำครอบเมนขององค์หลวงปู่เราเนี่แหละหลวงพ่อเห็นพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมมาจากตุลทธิศเห็นแล้วก็อบอุ่นทั้งโรงทานก็ทยอยกันเข้ามาหนาตาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาจากโงทานทั้งหลายทั้งปวงนะ้ลูกหลานนะ้าพวกเรามาทําบุญกับองค์หลวงปู่เนี่ย ไม่ผิดหวังแน่ๆคำว่าไม่ผิดหวังคืออะไรคือหลวงปู่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านบวชมาตั้งนมนานแต่อายุยี่สิบเก้าปีจนถึงอายุร้อยสามปีนานเท่าไหร่ลูกหลานว่านะท่านบําเพ็ญคุณงามความดีมาตลอดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาทาบุญก็องค์หลวงปู่จะเป็นรงทานหรือจะทาบุญในเรื่องอะไรก็ตามเหมือนกับ หลวงปู่ของเราเป็นนาที่ดีไม่ท่วงไม่แรงดินดีอีกต่างหากเราหย่อนเมล็ดพืชลงไปเอาข้าวปลูกลงไปข้าวปลูกน่จะงอกเหอยอเต็มที่ถ้าเราปลูกข้าวในนาที่ดีถ้าเราไปปลูกในที่ดอนป่ายากคงยากคากรรมหวานไปเรื่อยเฮ้ยปลูกข้าวที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละกรรมหวานเข้าไปในป่า แล้วมันจะงอกเงยได้อย่างไรถ้าเราไปหาที่ลุ่มที่ดินที่ดินดีเราก็หวานนี่แหละลูกหลานทั้งหลายมาหวานลงตรงที่องค์หลวงปู่ของเราเนี่แหละเป็นเนื้อนาที่ดีเพราะนั้นหลวงพ่อมั่นใจพวกลูกหลานทั้งหลายจะทําบุญเรื่องอะไรโรงทานก็ดีมากราบมาไหว้ก็ดีมาเสียสละกําลังกายกําลังใจกําลังกาย กำลังทรัพย์ก็ดีกำลังกายคืออะไรคือมาช่วยงานของหลวงปู่เนี่ยล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลไม่ไว่ายุคนั้นสมัยนี้สมัยครั้งพุทธพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะลูกหลานนะหลวงพ่อจะพูดเป็นนิทานให้พวกเราได้ฟังเป็นชาดกให้ฟังมีโยมคนหนึ่งอยากจะได้บุญไปถามพระจะทำยังไงผมจึงจะได้บุญครับพระบอกว่าให้ทาน เพอท่านเป็นคนมีฐานะดีทำบุญทำทานนะใจของท่านจะสบายแต่นั้นตะกอนไม่ตะคิดโมโหโกธาจิตใจชุนเฉียวอยู่ตลอดนะแต่พอทำทานพอทำเออใจสบายมีความสุขใจบอกไปถามพระอีกแต่ทำาไงจึงจะได้บุญมากกว่านี้ครับท่านก็บอกว่ารักษาศีล น, นะรักษาศีลห้าสวมกามวายาจารีบร้อยไม่เบียดเบียนใครมีความสุขนะ โยมก็อนต้องรักษาศีลพราะรักษาศีลเสร็จแล้วก็ไปถามพระอีกจะทํายังไงจียงรักษาจะได้บุญมากกว่านี้ครับพระสงฆ์ก็บอกให้รักษาศีลแปดเนะเอะเพราะว่าเป็นการสํารวมใจของตนเอง เ, อเป็นส่วนมากเลยศีลแปดจากนั้นก็จะทํำยังไงครับผมจิตจะได้บุญมากกว่านี้อีกพระท่านก็นว่าบวชท่านแนะนําให้บวชเลยเพราะเป็นการตัดทั้งหมดทุกชิงทุกอย่าง ตอนนี้โยมคนนั้นก็เชื่อพระอย่างเพราะว่าเป็นอาจารย์ต้นเป็นอาจารย์ต้นตระกูลใช่จากนั้นท่านก็บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็ไปหาพระอุปชาอุปชาก็สอนเรื่องธรรมให้ภาวนาอย่างนี้นะ ก, ร, นกรรมฐานหเกสาโลมานขาทานตาตะโจทําใจอย่างนี้นีอพอเสร็จแล้วไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์เขาบอกว่าเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์อยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะ อนุสาสแปดอย่างข้อห้ามไม่ให้ภิกษุทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ศินสองรอยี่สิบเจ็ดเป็นอย่างนี้ศินอภิธมาจารย์อย่างนี้พอได้ยินสินเท่านั้นแหละท่โอ้โหตายตายตเหมือนกับตัวเองเข้าไปในซองไปในหลักหนีบเออยู่ในกรอบของสินโอ้ยผมรักษาศินไม่ได้แล้วพระคุณท่านผมจะศึกแล้วเั้นไม่เอาไม่เอาครับ ผมรักษาศีลไม่ได้ผมกลัวบาปารักษาศีลไม่ได้ก็ไปพระสงฆ์ทั้งหลายก็มไม่รู้จะทํำยังไงเพราะทำวินัยไม่ใช่ของพระสงฆ์ใช่ไหมล่ะเป็นทำวินัยของพระพุทธเจ้าโอไม่ได้ถ้าหาว่ามีคนพูดอย่างนี้ปฏิเสธอย่างนี้นะ่ะพวกเราจะทํำยังไง พ, พาไปหาพระพุทธเจ้าเนพาไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่ า, า, วาเธออยากจะศึกด้วยเหตุอนันใด เพราะข้าพรเจ้ารักษาศีลไม่ได้ครับผมรักษาศีลสองรอยสเจ็ดมากเกินไปรักษาศีลอภิสมาจารอีกนับไม่ท้วนกระผมขอไปรักษาศีลห้าอยู่ในบ้านกระผมครับผมกระ ผ, ผมจะรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถอยู่ในบ้านเพราะกินของตัวเองทานอาหารของตัวเองไม่ได้กินของชาวบ้านเขาคงจะไม่เป็นบาปครับกระผมจะไปทําบุญเป็นคารวาส ด, ดีกว่าพรพระพุทธองค์บอกว่า เธอในท้อใจเพราะสินมากอย่างนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะเพราะมันมากถ้ารักษาอันเดียวได้ไหมถ้ารักษาอันเดียวได้ไหมสิ่งเดียวโอ๊้ถ้าว่ารักษาสิ่งเดียวน่ะถึงจะยากขกนาดไหนข้าพระองค์ก็รักษาได้มั่นใจรักษาได้ ถ, ไดถ้าอันเดียวน่ยถ้ามากนี้นกระผมรักษาไม่ได้รักษาสินมากๆ ศีลห้าและศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สบเจ็ดศีลอภิสมาจารย์เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นฮะแล้วจะรักษาได้อย่างไรกับผมเออเอาถ้ารักษาอันเดียวได้ให้รักษาอันเดียวนักทีนี้นะคือให้รักษาใจในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดฮะอย่าคิดในสิ่งที่มันไม่ดีอคิดในสิ่งที่ดีแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดี ให้รักษาใจอย่างเดียวเถอะนะไม่ต้องรักษาอย่างอื่นได้ไหมโอ้ได้ครับผมเนี่ยพระพุทธเจ้าฉลาดได้เห็นไหมไม่ไม่ไม่ต้องรักษามากเลยรักษาใจอย่างเดียวหนึ่งคือรักษาใจคือรักษาต้นต่อใช่ไหมล่ะอรักษาต้นต่อเห็นความชั่วความดีทั้งหลายออกมาจากใจทั้งหมดจากนั้นพระโอก็เลยรักษาแต่ใจอย่างเดียวนไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าสอนคนฉลาดนะทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่า โอ้คนทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยากจะได้บุญใครๆทําอะไรก็อยากจะได้บุญพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่แต่ยุคนี้สมัยนี้นะพวกท่านทั้งหลายในยุคสมัยก่อนก็เหมือนกันเนะี่ยะใครทำอะไรเข า, า, ก, า, าก็อยากจะได้อยากจะได้บุญมากอยากจะได้กุศลมากทาน้อยๆแต่ให้ได้กุศลมากๆคนทั้งหลายเขาต้องคิดกันอย่างนั้นไม่ว่ายุคนี้สมัยสมัยก่อนสมัยก่อนก็เหมือนกัน เพราะพระพุทธเจ้าพูดแล้วขมวดขมวดท้ายเอาไว้เลยฉะนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ว่าคนอยากจะได้บุญเหมือนกับ เ, เหมือนกับสมัยนี้พระองค์บอกว่าฟังสมัยหนึ่งพระเจ้าโกรพบของราชสมบัติกรุงพารานสีแล้วก็บิดทุนอมาตะ เ, เป็นอมาตะใหญ่คือโปโลหิตตาจาย์ จากนั้นพระเจ้าโกรกก็เลยบอกเอเอเ อ, อมาตเราอยากจะทำบุญกับผู้มีศินผู้ทรงศินมีไหมขอเชิญเข้ามานามาในพระราชวังเราจะได้ทำบุญกับผู้ทรงศินไ อ, อพยาโกรกปรลบกับพิทูลอมาดแต่ในพิทูนอมาตก็เลยไปหาแต่หาผู้ทรงศิน ในเมือนั้นไม่มีผู้ทรงศีลหาผู้จ ะ, จะรักษาศีลห้าไม่มีเลยฮ้มีแต่เป็นผู้ทุศีลเป็นส่วนมากก็เลยมากราบพระเจ้ากรก็ไม่มีกระผมมีอยู่ชื่อว่าพราหมนะเขาว่าพราหมณ์พอนี้เนะี่ยมีแต่ชื่อตะก่อนนาะพรามคือเป็นผู้มีศีลห้าเป็นอย่างน้อยเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ทีนี้มันพรามณ์มันมีแต่ชื่อ ไม่มีศีลห้าศีลห้าก็ไม่มีพระเจ้าขาดพระยาพรยาโคลบเอาจะทํำยังไงอไปหาดูสิมันมีไหมในอยู่ในโลกทางวิธูนมาตก็บอกว่าอพราหมณ์อยู่ในโลกเนี่นยหยละอยู่ในเมืองของเราเนี่ยมีแต่ชื่อมีแต่พราหมณ์พวกอาหาอยู่หากินใช้เวทมนต์ แล้วก็ดูดวงดูดาวแล้วก็บูชายันลักษณะอย่างนั้นพรามที่รักษาศีลจริงๆไม่มีพระเจ้ากรบหรือบอกว่าให้ท่านไปหาด้วยซีว่าในโลกไม่มีไหมไอวิทูลอามาร์ก็ว่ามีอยู่ในโลกน่าจะมีแต่ว่าก่อนที่จะ เ, เชิญท่านมานะพวกเราต้องเป็นผู้มีศีลก่อนให้พระ อ, องค์ ชำระพันคอนคือชำระล้างพันคอนให้สะอาดอแล้วก็เมื่อพันคอนสะอาดแล้วก็ให้คนในพันคอนทั้งหมดมีศีลห้ารักษาศีลห้าก่อนอแล้วก็ผมจะทูลเชิญเชิญฤาษีอยู่ในป่ามา เ, เพราะว่าตำรับตำรานี่มีอยู่แล้วว่าฤาษีนี้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่วางเว้นนักจากโลก วิทูนอมัดเชื่อมั่นอย่างนั้นไงอากนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยชำระพระนครแล้วก็ประกาศให้คนรักษาศีลห้าพอศึกษาศีลห้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกับวิทูนอมาตก็ประกาศมาประชุมกันเสนาอมาดมาแล้วก็สักเคเทพระเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายผู้มีหูทิพตาทิพพระเจ้าแผ่นดินอยากจะทําบุญกับผู้มีศีลกับผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ข้าพเจ้าในฐานะพิทูลอามาตเป็นอามาตย์ใหญ่เป็นประธานองค์ข้ามนตรีลักษณะอย่างนั้นแหละขออาราธนาสมณชีพรามผู้ทรงศีลอยู่ในโลกผู้มีหูทิพตาทิพขอให้มาโปรดพระเจ้าแผ่นดินของข้าพเจ้าโดยเธอเพราะว่าท่านนั้นก็ยกขันห้าขึ้นไปขันห้าลอยไปในอากาศนะลอยไปในอากาศ คนทั้งหลายก็แปลกใจพอไปในอันขันห้านี่ก็ไปถึงพระประเจกไปอยู่ที่เฮ้พระปเจดพุทธเจ้ทาท่านอยู่ในป่าหิมพาลอยู่ที่ภูเขานันทมู ล, ละกะฮะเป็นกลุ่มทั้งห้าร้อยห้าร้อยรูปท่านเวลาท่านจะฉันบินเท่าบาทนะ่ท่านก็มองดูนะท่านมีญาณรัตนะนะลูกศิษย์ลู ก, ลกหาหรือศรัทธาญาติโยมในอดีตแต่ชาติ เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศานาญาติใครจะจะทำบุญพระปฏิเจกจะหเหาะเว็บไปปรากฏ ต, ต่อหน้าคนนั้นเขาก็เห็นพระปัิเจกก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสขึ้นมาเลยเขาก็ทําบุญพอทําบุญเสร็จแล้วพระปฏิเจกก็ให้พรเอวังโหตุเอวังโหตุหตท่านปราถนาสิ่งใดขอให้ขอให้สมหวังวดังปราถนาของท่านเถอะนะอันนี้คือพระปฏิเจกที่ท่าน มารับปินาบาดเป็นแห่งๆไปแต่ไม่ได้มาทั่วทั่วไปแต่นี้พระประเจกตอนนั้นก็อยู่ในตุ่มในภูเขานั้นทัมูุระกาดแล้วก็เห็นขันดอกไม้ลอยมาในอากาศประธานพระประเจกพุทธเจ้าท่านก็เห็นโอ้อันนี้มันเรื่องอะไระท่านก็มองดูด้วยทิพยจักสุขของท่านเออพระเจ้าแผ่นดินโกรบกรุงพลาาณสี อยากจะทำบุญกับผู้ทรงศีลเออเอาละพวกเร า, าป่ะต้องไปโปรดเขานะพระปฏิจจตังห้าร้อยก็ไปส่งน้ำในแม่น้ำสะอโนดาตตอนเช้าก็เสร็จสง่สงน้ำเสร็จเรียบร้อยแนละ้วท่านก็มาด้วยยานของท่านด้วยชานของท่านนะมาลงเพลิ่เอยู่ในกรุงพาราณีพระเจ้าโคตรเห็นแลโอ้เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใส ถวายพระตหารครั้งหนึ่งแล้วก็ขอนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าอยู่ด้วยอีกเทิร์นพระประเจกพุทธเจ้าคือยู่ถึงเจ็ดวันแล้วก็ถวายอัฐบริขารของใช้กับพระประเจกพุทธเจ้าให้ครบถ้วนบริบูรณ์กับทุกองค์จากนั้นพระประเจกพุทธเจ้าให้ศีลให้พรเสร็จแล้วเสด็จกลับภูเขานันทมู ล, ละกะที่ป่าหิมพานที่เป็นที่อยู่ของพระประเจกพุทธเจ้านี่แหละ พระพุทองค์บอกว่าพระเจ้าโกรบในคราวนั้นคือพระอานนท์ปิธูลอมาตในคราวนั้นคือเราตถาคตนี่แหละสรุปแล้วคือไม่ไว่า ย, ยุคใดสมัยใดใครๆก็อยากจะทำบุญกับผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะนั้นขอให้พวกพระเนี่ลูกหลานทุกองค์นาให้สํำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศีล ถ้าเป็นผู้มีศีลและศรัทธาญาติโยมก็เคารพนับถือเลื่อมใสทําบุญก็เป็นบุญเป็นกุศลทางว่าพวกพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายโคโรโกโสมเป็นผู้ไม่มีศีลน ะ, ะพวกเราทําบุญก็ได้อันนี้สงน้อยอันนี้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้เพราะนั้นเป็นแนวทางเหมือนกันนะลูกหลานนะเป็นแนวความคิดเหมือนกันนั่นแหล ะ, ะใครๆใคอยากจะพบกับคนดี เป็นผู้ทรงศินเป็นผู้มีศินถ้าพวกเราหวานเพื่ลงในเนื้อนาที่ดีเอ่อบางคือพระสงฆ์นะก็คือปฏิคาหกอ่าศรัทธาญาติโยมนรีว่าทายกทายกคือผู้ให้ปฏิคาหกคือผู้รับผู้รับเป็นผู้มีศินทายกนี่ก็ได้ของได้มาโดยบริสุทธิ์ไม่ได้คดไม่ได้โกไม่ได้ปนได้จีไม่ได้เบียดบางใคร หาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรามาทำบุญมาทำบุญกับสมณะปฏิคาหกเป็นผู้มีศีลบุญกุศลก็มากมายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนพวกเรามาทำบุญเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์หลวงปู่หลวงพ่อเขามั่นใจว่าบุญกุศลที่เกิดจากการด้วยเจตนาดีของลูกหลานทั้งหลายบูชาพระคุณหลวงปู่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลมากทีเดียวแล้วกพระสงฆ์ที่มา รวมงานก็เป็นผู้ทรงศีล เ, เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลของท่านเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะได้มาทำบุญในคราวนี้จ น, จนตลอดงานหลวงปูเ่เสร็จก็ขอให้ตั้งความปรารถนาเลยจะเนเออผุขาได้มาทำบุญตั้งแต่เริ่มมาร่วมทำบุญกับองค์หลวงปู่ด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพรเจ้าได้ทาในคราวนี้ในช่วงนี้ ต่างกลัมต่างวาระบุญกุศลที่เกิดจากการทําบุญทําทานขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและวก็ไอประสบวายุวันะสุขภาระบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทํานี้ก็ขอให้เกื้อกูลหนุนพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคนาญาติผู้มีคุณสําหรับข้าพเจ้าถ้าหากว่าว่านผู้ใดที่หลวงรับไปแล้วตกทุก แต่ยากขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วกอขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องยังมีชีวิตอยู่กอขอให้เจริญยิ่งด้วยศีลด้วยธรรมด้วยลาบยศสรรเสริญ ส, ส, สุขกายสุขใจทุกๆท่านโดยเทอินถ้าเราทำพ้นงามความดีเสร็จแล้วเนะี่ยเราจะตั้งความปรารถนาอุทิศ ส, ส่วนกุศลแน่ไปไลักษณะอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่า กินเหล้าเมาหัวฟัดหัวเวียงยไปขอพรไปไปรับพรก้าวัดนันจะได้อะไรพรตัวเองกินเหล้าจนพอแรงจะไปรับพรก้าวัดพอนั้นให้ทำคุณงามความดีซะก่อนเราจริงรับพรนะคณะสัทยา ญ, ญาโยงโลูกหลานนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจัดอาหารก็นานพอแรงแล้วล่ะได้เห็นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายมาสู่วัดวาศาสนา ก็ควรจะได้ยินเสียงอัดเสียงทรรมเป็นเสียงแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดหลวงพ่อพูดพูดให้พวกเราทั้งหลายคิดนะจริงไหมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังหลวงพ่อเอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรอนะนาะต น, นีเนะ่อุทิศส่วนกะุศลเน้า